ธรรมะบรรยายจากพระครูโอภาสวุติกรหรือหลวงพ่อโสพลโอภาโสเรื่องอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลยวันนี้เราก็จะมาพูดธรรมะ ใญาติโยามทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันการเวลาผ่านไปไม่ได้ผ่านไปแต่เพราะการเวลาตัวเราก็ผ่านไปด้วยหมายความว่าควมแก่ควมเจ็บและควมป่วยกบไข้ก็ตามมาติดติดสิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่ว่า สิ่งเหล่านั้นเราก็ได้กันทุกคนส่วนมากสิ่งใดที่เราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นมันจะได้มันเป็นสิ่งที่แปลกนะสิ่งที่เราปรารถนากับไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะเวรเพราะกรรมหรืออาจจะเป็นเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันในครั้งพุทธกาลนี้ก็เหมือนกันนะฮะบางคนกว่า อยากจะได้แต่ความสุขอยากจะได้แต่ความสุขแต่มันก็ไม่ได้มันได้แต่ความทุกข์มากกว่าแต่้นความทุกข์ที่เราและท่านทั้งหลายได้ประสบพบกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าท่านหรือเราก็เหมือนกันคนเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกหรือโลกกลมๆใบเดียวเนี่ย บางคนก็ต่างมาซื้อสิทธิว่าของฉันของเธอหรือของกูของมึงเหมือนจนนี้เป็นต้นแล้วเราก็มาเป็นทุกข์อยู่กับโลกอย่างใบเดียวนี้แหละท่านทั้งหลายที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้มาทําความเข้าใจกับโลกใบนี้เมื่อท่านทําความเข้าใจกับโลกใบนี้ได้ท่านก็ มาประกาศให้รู้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครโลกใบนี้เกิดมาจากเหตุปัจจัยธรรมชาติแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะสลายไปแต่มันจะช้าหรือเร็วท่านั้นเองสังขารร่างกายก้อนนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาจากธรรมชาตินี่นะคือการเวลามันจะเป็น เครื่องพิสูจน์ให้เกิดขึ้นมาเองว่าการเวลานั้นสมควรจะเกิดอย่างนี้หรือสมควรจะเกิดอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาเองมันโดยที่ไม่มีใครไปทำให้มันเป็นเองหรือว่ามันเป็นเองของมันเองไม่มีใครไปทําให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเองฉะนั้นเมื่อโรคใบนี้มันเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าโรคนี้โลคที่ เราอยู่นี้มันเป็นอะไรโลกที่เราอยู่นี้มันไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสภาวะแห่งความเป็นจริงสภาวะแห่งความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่และมันเป็นไปของมันอย่างนั้นแล้วเราก็มาทําความเข้าใจกับสภาวะที่มันเป็นจริงใช่เมื่อมบรู้สภาวะหที่มันเป็นจริงอย่างนั้นเราอาจจะไม่มีทุกข์ หรืออาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่สามารถจะทำความเข้าใจกับมันได้เราก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งเล่านี้ด้วยไปท่านทั้งหลายวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเมื่อเราอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเราจะเห็นจากธรรมชาติคือความแก่ความเก็บความป่วยและกับความไข้และกับความผิดหวังความสมหวังของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าเขาว่าเรา เหมือนกันหมดในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรว่าจะอยู่โลกนี้อย่างมีความพาสุกแต่ผู้รู้ท่านบอกว่าโลกที่เราอยู่นี้หาความภาสุกไม่ได้ท่านทั้งหลายจะเห็นจากธรรมชาติที่เราเป็นอยู่มีอยู่ทุกคนก็คงจะทําเหมือนกันนะฮะดันั้นสัตว์ทุกประเภทก็คงจะเหมือนกันแต่ถ้ฉะนั้นแล้วคงจะไม่มีสัตว์อยู่ในโลก นะการอยู่การจินการหลับการนอนการพักการผ่อนการไปการมาการเก็บไข้ได้ป่วยการสืบพันธ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากเหตุใดปัดจจัยใดเราไม่ทราบแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกันหมดฉะนั้นเราจะบอกว่าเราดีกว่าคนอื่นหรือเร็วกว่าคนอื่นหรือเสมอก่าคนอื่นก็หาไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเรวหรือต่อเหตุปัจจัยของมัน เกิดในฐานะอะไรเป็นสัตวชนิดไหนแล้วอายุเท่าไหรแล้วจะเป็นใหา่อย่างไรจนโบราณก็บอกว่าเต่าเนี่ยอายุเป็นได้หลายร้อยปีจริงหรือไม่เราไม่ทราบหรือต้นไม้บางชนิดมันเป็นได้หลายร้อยปีหรือได้หลายวัตถุที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นได้หลายล้านปีอัตมาเองก็เคยคิดไปว่าเอ้มันเป็นไปได้ยังไงต้นไม้เป็นหิน คงจะหลายล้านล้านปีแม้กระทั่งใครไม่เคยเห็นหอยหอยที่เกิดในทะเลนี่เป็นหินถ้าไม่อยากถ้าไม่เห็นเคยเห็นก็ไปที่เลยก็ บ, บี่นะถ้เรียกว่าสุสานหอยหอยนี่แหละเป็นหินมันจะอยู่กี่ล้านล้านปีเราไม่ทราบแม้กระทั่งสังขารร่างกายของคนนี้ก็เหมือนกันนะมันก็กลายเป็นหินได้เหมือนกัน แตนะ่แต่ต้องเอาไว้ตรงไหนทำอย่างไรก็แล้วแต่คนเวลาเนี่ยเขาจะมีการฝังใช่ไหมการฝังคนไว้ใต้ดินคือคนที่ตายแล้วบางทีเขาก็ฝังไว้หวังไว้จนหรือไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านล้านปีเนี่ยกลายเป็นหินได้เหมือนกันเต้าไปลึกๆดังนั้นะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรแปลกโยมเพราะมันเป็นธรรมชาติคนเกิดขึ้นมานีนไม่มีอะไรโยมมีแค่นี้แหละมีหนัง บางๆผืนเดียวเนี่ยหุ้มหอ่อเนื้อแล้วเส้นเอ็นเ ล, อเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของปฏิกูลน่าเกียดในสังขารร่างกายก้อนนี้ที่เรามาหลงไหลใฝ่ฝันในสังขารร่างกายก้อนนี้อยู่เราก็เลยมาทุกข์กับสังขารร่างกายก้อนนี้อย่างคุณยายที่นอนป่วยนี้ก็เหมือนกันสังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรลูกๆเขาก็ไม่อยากให้ป่วย ไข้ไข้ในบ้านนี้เขาก็ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ไข้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะทําอย่างไรก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนั่นแหละคือสภาวะในเมื่อสภาวะมันเป็นจริงอย่างนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่นี่คือคําพูดของปราดบัณฑิตท่านพูดไว้ ให้พวกเรามาศึกษาวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่จิิงที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษหรือเป็นคุณนะถ้าเราอยู่โดยที่ไม่โดยปสัส จ, จากประโยชน์หรือมีแตโทษหาคุณม่ได้อย่างนี้ถ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษหรือโมฆะเป็นคนที่ว่างเปล่าหาประโยชน์ม่ได้นะ แต่ทําคุณงามควมดีกับพ่อกับแม่ทําคุณงามคนดีกับครอบครัวตัวเราหรือส่วนรวมของประเทศชาติบ้านเมืองก็หาไม่ได้คนประเภทนี้มีไม้อยูม่มีเยอะแยะไปเลยบางทีอาจจะมีในบ้านเรานี้ก็ได้นะคนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งที่มันเกิดมาก็เกิดมาด้วยความยากลําบากเลี้ยงมาก็เลี้ยงมาด้วยความยากลําบาก คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเลือดเสื้อเนื้อเสื้อปักเสียญาติเสียปู่เสียปา่าเสียเ ง, ยงิน เ, เสียทองเสียข้าวเสียของเสียทุกจึงทุกอย่างเพื่อคนคนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วโอ้โหมันไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆรงนะฮแล้วเป็นสุขก็เป็นทุกข์คุณโยมเพราะการเวลาผ่านไปมันเรียกกลับมาไม่ได้ใช่ไหมเมื่ออยู่ยี่สิบปีสาสิบปีสี่สิบปีแล้วจะให้มันกลับมาเป็นหนุ่มสิบปีสิบห้าปีมันไม่ได้แล้วโยมมันมันไม่อยู่แล้ว นั้นไปแล้วไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะเอาเวลาไหนมาทําประโยชน์เอาเวลาไหนทําคุณงามความดีเอาเวลาไหนควรจะทําอะไรวันเวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปอืแล้วคุณงามความดีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะมีในสังคมจะมีในโลกมีในหมู่ในคณะในบ้านในช่องก็ไม่มีบางครั้งขอโทษทีหาเสื้อผ้าจะใส่ก็ไม่มีบางครั้งข้าวน้ําก็อาจจะไม่มี บางครั้งที่พักที่ผ่อนก็ลำบากแล้วแล้ววันคืนล่วงไปแล้วทำอะไรเราจะพูดเลยถึงคุณงามกลมดีในส่วนตัวหรือในส่วนรวมแม้กระทั่งในครอบครัวตัวเราก็ยังหาคุณงามกมดีไม่ได้คุณสามีบางคนก็บอกว่าโอ้โหพัญญาเรานี่ไม่มีชิ้นไหนเป็นชิ้นดีเลย ถ้ามีธรรมชาติที่ติดมาจะหาความดีไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมีธรรมชาติอย่างเดียวที่มันให้เกิดขึ้นให้ตายนั่นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเหตุว่าเออมีตรงนี้ที่อื่นมันหาดีไม่ได้เลยเป็นพญญาก็ว่าสามีมันกันโอ้โหอ้สามีแล้วนี่ไม่คิดว่ามันจะเร็วอะไรขนาดนั้นเกิดมาไม่เห็นมันทําอะไรสักอย่างเดียวเห็นคุณงามความดีมันจะทําเพื่อประโยชน์ครอบครัวตัวเราจะได้พึ่งพาอาศอัยอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไง เราก็เลยตกลงว่าเป็นเวนกรรมยกให้เวนยกให้กรรมไปนี่แหละท่านทั้งหลายวันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยประโยชน์ที่คนจะได้แต่ไม่ได้ประโยชน์ที่คนจะมีเต็มประโยชน์ที่คนจะเป็นแต่กับไม่เป็นไม่มีไม่ได้อะไรเลยอยู่ให้ศูนย์เปล่าไปวันวันวันวันวันผลสุดท้ายก็ล่มหายตายจากไปเห็นไม่หยบแต่นั้นวันคืนเวลานี่เจ็มพรเจ้าจึงว่าอย่าประมาทในความเป็นอยู่ อย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้หรือเรายังแข็งแรงยาวยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือทรัพย์สมบัติของเรามีมากมายไก่ยกองทําอะไรก็ได้คืออย่าประมาทพราอทรัพย์สมบัติภายนอกไม่สามารถที่จะบ่งบอกว่าถึงเป็นคนดีหรือคนเลวอไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สมบัติแล้วเป็นคนดีมีอย่างนั้นแล้วเป็นคนไม่ดีไม่ใช่อืม ความดีหรือความเลวไม่ได so, ้ขึ so, ้นอยู่กับทรัพสมบัติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันนะหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ว่าทำทั้งหลายมันเกิดมาจากเหตุมันจะดับก็ดับเพราะเหตุหรือมันจะชั่วหรือมันจะดีมันจะเลิศมันจะประเสริฐก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของคนคนนั้น ถ้าเราเตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกหรือเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมองเห็นโลกที่แสงสว่างช่อดช่วงจากพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยเราก็เห็นอยู่เราก็รู้อยู่ว่าเราจะเอาประโยชน์จากพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ยังไงธรรมาเคยพูดอยู่เสมอมีตาก็จริงอยู่ถ้าไม่มีแสงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีหูก็จริงอยู่ถ้าไม่มีเสียงหูไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นมีกินมีรถเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย มันเป็นสิ่งที่รับรู้มันเป็นสิ่งที่รับรู้เท่านั้นเองว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นหูมันรับรู้เรื่องของหูตามันรับรู้เรื่องของตาจมูกมันรับรู้เรื่องของจมูกลิ้นก็เหมือนกันมันรับรู้เรื่องของลิ้นเท่นั้นสิ่งที่เราได้เกิดมาร่วมโลกกันแล้วก็เห็นกันอยู่เป็นกันอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันที่เราพูดกันโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กําเนิดเกิดลูกมาทั้งหลายทั้งปวง ตั้งแต่เราเกิดมาเราสอนเราบอกตั้งแต่ตัวเล็กๆอยูแต่กระทั่งตัวโตวเท่าเราแต่กระทั่งเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเราก็ยังบอกเราก็ยังสอนมันก็ยังทำสิ่งที่มันไม่ควรจะทำมันก็ยังพูดสิ่งที่มันเยมันไม่ควรจะพูดมีน้ำสำัมบางคนบางครอบครัวนะต้องทะเลาะวิวาทต้องตบต้องตีตีพี่ตีน้องไม่พล อ, อยังมาทะเลาะกับพ่อแม่ตบตีพ่อแม่แย่งทับสมบัติ บางคนต้องข่มเหงรังแกขืน อ, อกขืนใจทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยประการต่างๆโอ้โยมเห็นแล้วเป็นยังไงโยมนะ่าจะมาจากว่าสัตว์ในโลกนี้มันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันวัวควายสัตมา้าปูปลาอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอย่างนี้โยมเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่สามารถว่าจะทําประโยชน์อะไรได้เลยมีแต่เกิดมากินอยู่เสพการยินอยู่แค่นั้นเองแล้วผลสุดท้ายก็ตายไปเกิดมากม่อีก กินอยู่แล้วก็เกิดมาอีกเป็นอีกอย่างนี้ไปฉังนั้นหนทางที่ผู้รู้ท่านบอกไว้ว่าเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะให้หลุดพ้นจากกระแสอันนี้ไปไดห้หนทางนี้ก็คือหนทางของธรรมะเรียกว่าตัทรู้ธรรมมารู้ธรรมโยมมาศึกษาธรรมเถอะและมาปฏิบัติธรรมเถอะมารู้ธรรมเถอะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขของโยมได้หรอกเขาตครัวตัวเรานะี่ยแหละโยมสามีของโยม ลูกของโยมทรัพสมบัติของโยมหรืออะไรต่ออะไรของโยมที่ถือว่าเป็นของโยมนั้นนะมันเป็นแค่เราสมมติเฉยๆอยู่ในมือเราก็เป็นของเราเรามีสร้อยทักเส้นหนึ่งมีเงินสก้อนหนึ่งพอหลุดมือเราหายไปก็เป็นของคนอื่นแม้กระทั่งเข้าของเงินทองทรัพสมบัติแม้กระทั่งผ้ามีพัญญาเราลูกเราเหมือนกันทันั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของเราหาไม่ได้โยมมาศึกษาธรรมะที่ตามภูตวะสิ่งนี้แหละที่จะให้เราได้ประโยชน์ มัวต่เมาบางคนที่มัวเมาสังขารร่างกายมัวเมาในความเป็นหนุ่มความเป็นสาวมัวเมาในความร่ํารวยหรือมัวเมาในลาบในยศมัวเมาในอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายของกูของกูแต่หาของกูที่ไหนได้โยู ผู้รู้ท่านบอกว่าการวันวันคืนล่วงไปล่วงไปถ้าเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันนี่ที่เคยพูดด่าแล้วด่าอีกพูดแล้วพูดอีทำซ้ำซากๆพูดกันทั้งไม่รู้จะพูดยังไงพูดจนเบื่อที่จะพูดสอนจนเบื่อที่จะสอนบอกจนเบื่อที่จะบอกแล้วมันก็เหมือนเดิมผลสุดท้ายทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องทําเองใช่ไหมคุณแม่ต้องทําเองคุณพ่อต้องทําเองทำเองทุกอย่างบงคั้งฝืนความรู้สึกขอโทษทีนะ ถ้าเป็นผ้าขี้ริ้วของใสไฟเผาทิ้งแล้วนี่มันเป็นคนมันทําอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นคกเป็นสากหรือถ้าเป็นถ้วยเป็นจานทุบทิ้งไปแล้วโยมนี่มันคนมันทุบทิ้งไม่ได้มันก็เลยขวางลูกหูขวางลูกกูหูลูกกตาไปตลอดทุกทุกโยมมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกบางคนก็บอกอยากจะมีลูกขอให้เป็นลูกขอให้เป็นคนเธอเป็นหญิงก็ช่างเป็นชายก็ช่างอยากจะมีที่อยากจะมี พอได้มาจริงๆโยมโอ้ยมันทุกข์ทุกข์จริงๆทุกข์พ่ะลูกอธิมายเห็นคนมานั่งร้องไห้ยี่หลายคนแตหลายคนพ่อลูกไม่จะเป็นลูกหญิงลูกชายเดียวนี้มันไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเพราะหญิงชายมันมันเท่ากันเลยก็เรียกว่าเสมอกันให้สิทธิให้เสรีภาพความเป็นอยู่เสมอกันอืรเมื่อความเป็นอยู่เสมอกันไม่มีใครได้กว่ากันแตนี่ปัญหาก็ตรงที่ว่าเห็นแม่เด็กมันทํากันโยม มันผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําไดนะ้แต่ผู้หญิงทําแล้วมันมีปัญหาที่ผู้ชายทําแล้วปัญหาไม่ค่อยมีเรืนะ่อการ ude, มีความรักความใคร่ระหว่างกันอะไรกันนี่ผู้ชายทําแล้วมันไม่ได้อุ้มท้องนี่ผู้หญิงทําแล้วมันอุ้มท้องประจานต่อสังคมประจานต่อส่วนรวมเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้ว่ามันไม่เหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่เหมือนกัน เสรีภาพในในความเป็นอยู่จริงอยู่แต่ว่าความเข้มแข็งของของสังขารร่างกายเช่นผู้หญิงรอบเดือนประจ uh, ําเดือนของเรามันก็มีอยู่แต่ผู้ชายมันไม่มีเด็กก็ต่างกันต่างกันตรงที่ว่ามันไม่มีพระมันไม่มีอะไรที่จะแบกอ่าทิ้งไปทิ้งไปทําไปทิ้งไปทําไปทิ้งไปแต่ผู้หญิงไม่ได้ทิ้งทําไปแล้วเก็บไปทําไปเก็บไปทําไปเก็บไปก็ทนทุก์ทรมานด้วยประการต่างๆ เราสังเกตจากการดูแลใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเช่นลูกเนี่นะส่วนมากยมผู้หญิงจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ถนุถนอมเย็ดผ้ากี่ตีผ้าเย่อเก็บไข่ได้ป่วยไม่เหึให้หางแต่ผู้ชายส่วนมากไม่ได้ทําผู้ชายจะเป็นคนแสวงมาแสวงที่อยู่ที่อาศัยแสวงที่ไปที่มาแสวงหาอยู่หากินทุกจิ้งทุกอย่างผู้เป็นผู้ชายแสวงมาเพื่อมาให้ผู้ที่อยู่ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรวมกันเข้าก็คือรวมแล้วก็คือเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเลย ถ้าอยู่เรามาสร้างเวรสร้างกรรมด้วยกันนะมาทุกขทรมานด้วยกันลิ้นกับฟันโบราณเขาบอกไว้ว่าเคยแม่โยบเคยกัดลิ้นตัวเองไหมอัตมาคิดว่าน่าจะน่าจะฮนะเป็นแทบทุกคนการอยู่รวมกันระหว่างสามีพันยาลูกลูกทั้งหลายก็เหมือนกันที่ไม่ทะเลาะกันนั้นน่ะไม่มีไม่มีจริงๆ เป็นเศรษฐีก็ทะเลาะแบบเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์ทะเลาะแบบราชามหากษัตริย์เป็นข้าราชการหน่วยงานต่างๆแม้ใหลกักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงก็ทะเลาะกันเห็นไหมโยมนี่แหละโยมทั้งหลายเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเอากันจนตายนะไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นทางขานร่างกายก็นี้มันมันก็เอากันจนตายตีกันจ น, นด่ากั น, นทะเลาะกันตบตีกันฆ่ากันยิงกันฟันกันกระโดดโอ้สารพัด ท, ทาไปทุกรูปแบบ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โลกนี้จึงมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองดันั้นความทุกข์ที่ทรมานนี่ผ่านมาผ่านไปบอกว่าพุทธเจ้าจึงบอกให้เราพวกเราการเวลาผ่านไปแล้วทำอะไรอยู่จะทำคุณงามความดีจะสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างบารมีจะทำอะไรสักอย่างในให้มันเกิดขึ้ น, นก็ไม่มีเลยอาตมาว่าเอาเธอโยมไม่มีใครที่จะบังคับโยมได้ ไม่มีใครที่จะมาบีบคั้นบังคับจูงใจแล้วแต่โยมจะทําถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตรงไหนก็ทําไปเถอะเพลิดเพลินในการมาคูนเอาไปเลยทั้งวันทั้งคืนมืดหมึดไม่ต้องทักไม่ต้องผ่อนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนทําไปเลยอยู่เพลิดเพลินไปเลยเรื่องของการมาคุณเรื่องของการมาสุขอืจะเล่นจะกินจะเพลิดเพลินได้เลยยังไงเอาไปเถอะพอตายแล้วก็คือจบนั่นคือเรื่องของโยมแต่ผู้รู้ท่านบอกว่าไม่จบตายแล้วไม่จบเพราะอะไร ไม่ทราบมืนกันมื่กับต้นไม้ที่มีลูกมีลูกแล้วหล่นขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกันต้นนั้นแหละก็เกิดมาจากต้นนี้แหละเมื่อโมงต้นเดียวเนี่ยมันขยายไปเต็มพื้นที่หรือต้นไม้ทุกต้นที่เกิดมาจากต้นมันขยายไปทั่วทั่วโลกเลยแม้แต่ต้นหญ้าทุกต้นมันก็ด่มันก็มาแต่ไม้จากหญ้าต้นเดียวก็ขยายไปทั่วทุ่งนาทุ่งไปหมดนะจากนั้นมันก็คนก็เหมือนกันเขาขยายมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาทนทุก ก็แล้วมาทับถมแผ่นดินให้สูงขึ้นนี่เลยญาติโยมทั้งหลายเรามาศึกษาข้อมูลพระพุทธเจ้าว่าวันคืนล่วงไปท่านทําอะไรอยู่นึกถึงว่าวันคืนล่วงไปทําอะไรอยู่สังขารร่างกายเสื่อมไปทีละน้อยทีน้อยทีน้อ ย, อยไม่สามารถจะต้านทานได้ถ้าเรายังหาคุณคมคุณสมบัติเมื่อคุณสมบัติของตัวเองไม่มีแล้วมองดูแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรมืดมุนไปหมด นะในเมื่อมันมืดมนไปอย่างนี้ท่านทั้งหลาย <c oughs> ท่านมาจากไหนแล้วท่านจะเอาอะไรไปพระเจ้าจึงให้พวกเรามารู้เท่าทันตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของเอตนาของรูปของนามให้ตึงให้มาภาวนาเลวิปัสสนากรรมฐานเพื่อ <c oughs> ให้รู้แก่เห็นจริงในหลักของสัจธรรมคือความเป็นจริงเรียกว่าธรรมะมาศึกษาธรรมะถอดกินโยม ดันั้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี่ว่าธรรมะที่เกิดเป็นความเป็นจริงอย่าที่บอกว่าคนมาเกิดแล้วแก่แก่แล้วเก็บเก็บแล้วก็ป่วยไข้ล้มหายตายจากไปไม่มีใครตั้งทานอยู่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนโลกนี้พุทธเจ้าให้มารู้ตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมะเมื่อเรามารู้สภาวะให้ความเป็นจริงของธรรมะอันนี้จะไม่ประมาทในชีวิตเราเกิดมาหาความดีไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีทําดีไม่ได้ จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็หาไม่ได้แต่บางคนน่นเยอะโอ้เห็นหน้าเสียดหน้าหน้าหน้านโมธนานะฮะบางคนเขาเป็นเสรียีมหาเสถียรเขาล่ํารวยมาด้วยอํานาจไกลเด่งแล้วก็เขาก็ไม่อยู่เฉยๆเขาก็บริจาคทำโน้นทํานี้ทํานี้ทำโน้นทำโน้นทํานีทนน้ทํทททาด้วยประกันต่างๆเพื่อสองะห์คนยากจนเพื่อสองข้์ในส่วนรวมเพื่อสอง่งเส้นถนนหนทางที่ไปมาที่สะดวกสบายหรือที่อยู่ที่ใส ปัจจุบันนี้คนที่ร่ํารวยเขาทํากันเยอะคนที่ร่ํารวยเขารวยมาจากความคิดความสติความเิ่นปิฏฐิปัญญาหรือมีกําลังของเขาแล้วก็ทำํำเมื่อเขาทําแล้วเขาก็ได้เดีย๋ยอะเมื่อเขาได้เขาก็มีความสุขทาไมเขามีความสุขก็เพราะเขามีมีที่ทําแล้วก็มีที่มามีที่ไปของเขาบางคนดีจริงๆนะโยธรรมมาเห็นโอ้บางคนดีจริงๆดีทั้งต้นดีทั้งปลายดีทั้งวันและสุดท้ายของชีวิต เพื่อตัวเองไม่พ อ, อยังเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อคนใกล้ชิดเพื่อคนตกทุกข์ได้ยากเพื่อคนลําบากให้หมดไม่เป็นสิ่งที่บอกว่าการให้ทานนี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดเป็นสิ่งที่ผูกมัดทางด้านจิตใจให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่สิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็บอกว่านั่นคือสิ่งที่เราทํากันอยู่ว่า รรมทานการให้ทําเป็นทานนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดหรือการให้เข้าของเงินทองที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาให้เป็นทานนั้นก็มีส่วนหนึ่งก็มีความสุขได้เหมือนกันถ้าเลาถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นปัจนุบัเราก็จมน้ําตายถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็หลงทางไปแล้วถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ปล่อยให้สังขารร่างกายตายไปแล้วนี่โยมทั้งหลาย ดันั้นเมื่อสังขารร่างกายก้อนนี้ใน่าเป็นของเราแล้วแล้วก็อย่าประมาทเลยรีบทำคุณงามความดีถ้ายังไม่เคยทำอะไรก็สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจก็รีบทำเถือโยมเพราะวันเวลาไม่คอยใครจริงๆ๋ยมมันจะตายเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เลย สิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้ก็เลยเราทำอะไรลงไปแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเรารู้แน่ๆว่าเราทําสิ่งที่ดีแล้วมีความสุขกายสบายจิตทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์มีจะโทษนั้นเป็นทุกข์กายและทุกข์จิตฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามาศึกษาข้อมูลว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรอาตมาจึงบอกพระเนรินอยู่เสมอหรือบอกยาติเดี่ยอยู่เสมอไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนเราปฏิบัติที่กายที่ใจนี่แหละกายมันจะเป็นเหตุให้เกิดทําความผิดเราหยุด ว่าจาเราก็เหมือนกันมันจะเป็นเหตุให้ทําความผิดเราก็หยุดแมก้กระทั่งจิตใจที่บอกว่าเมื่อจึนึกคิดในสิ่งที่มันไม่ไม่มีประโยชน์เราก็เลิกนึกคิดตอนนี้คือคือการปฏิบัติของเรามีเท่านั้นเมื่อเรามาปฏิบัติตามกระแสธรรมพุทธเจ้าบอกไว้ว่าสังขารขาร่างกายก้อนนี้มีความเสื่อมสิน้นไปเป็นธรรมดาการเวลาผ่านไปเราเลือกกลับคืนไมมเราต้องรีบทําคุณงามความดีของตัวเองเสีย ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลไม่เคยสร้างคุณงามคุณดีไม่เคยศึกษาเรื่องธรรมะธรมโมไม่เคยศึกษาความเป็นอยู่ในโลกแล้วก็มาศึกษาเทยียมเรามาศึกษาธรรมะดูสิว่ามันจะเป็นประโยชน์ไหมธรรมะคือจะพาว่าความเป็นจริงมาดูตัวเองนี่แหละดูความแก่ตัวเองดูความเก็บตัวเองดูความป่วยตัวเองดูความเก็บซ้าน้ําใจตัวเองดูความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงของตัวเอง แล้วดูดูความสุขดูความทุกข์ในครอบครัวตัวเรามันดูเท่ดมดูให้เห็นให้เห็นตามความเป็นจริงจริงๆว่านี่แหละคือสัจธรรมถ้าเราจะมาทํากายทําใจของเราก็ทําทุกวันนะโยมทำได้ทุกวันไม่มีเวลาไหนจะทําไม่ได้เราทําได้ทุกวันเราแก้ไขทุกวันเราปรับปรุงทุกวันคําพูดแบบนี้ไม่มีประโยชน์การทําแบบนี้ไม่มีประโยชน์เราจะหลีกเลี่ยงอยู่ไปก็เท่านั้นแหละโยมอยู่ใน ค, ครอบครัวโดยเช็คเกตอย่าที่ หรือว่าเลี้ยงลูกให้โตแล้วก็จะหมดไม่มีหมดยมูออกจากลูกก็ยังหลานออกจากหลานก็ยังเหลนขอโทษทีไม่มีลูกก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะอาตจจมาเห็นเยอะแยะไปที่มาฮาอาตมาหลายคนมีภรรษทั้งต้องดูแลคือแม่มีภรระต้องดูแลคือพ่อถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็มีโอกาสได้มาวาดัดมาวา่าได้มาม า, มาปฏิบัติธรรม เ่อคุณพ่อคุณแม่ตายไปขอโทษทีนะเลีเ้ยงหมาเลี้ยงแมวขอโทษทีเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เยอะแยะมากมายโอ้ยรักหมารักแมวยิ่งกว่ารักพ่อรักแม่อืเย็นมาก็ทําให้จินแล้วซื้อไก่ซื้อกาซื้อปูซื้อปลาซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้มันจีนเลี้ยงมันทุกวันทุกวันมันก็ไม่ได้อะไร แต่ใจเห่าแต่ใจหอนลำคันต่างหาเวลามันเป็นสัตว์มาเราโอยเยอะเวลามันทะเลาะกันวิว่ากันกาดกันวุ่นวี่หัวเราก็เลยต้องไปตบไปตีมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกยิ่งกว่าโอ้โหยิ่งพ่อยิ่งแม่เรายิ่งจะมีบุญคุณนี่แม่รู้จะเอาบุญคุณกับมันตรงไหนหรือมันดีอย่างไรแน่นอนน่ะตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆก็น่ารักกันทุกตัวแล้วหมาก็น่ารักคนก็น่ารักขนาดนี้แต่พอโตขึ้นมาแล้วมันน่าเกลียดห่ด อย่าเป็นหมาคิดเล่นก yeah, ็ด mm ีคนแก่คนหงอมก็ดีคนป่วยคนไข้ก็ดีแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยะแขงใช่ไหมโยมออกมาทางทะวันหนักทวันเบาออกมาทางไหนก็ดีแล้วแต่เป็นสิ่งที่ขยะขะแขงน่าเกลียดน่ากลัวเทนั้นเอคนก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันท่านมามาศึกษาข้อมูลที่โยมสัตว์ร่วมโลกที่เกิดมาแล้วแก่ก็เหมือนกันเจ็บเหมือนกันป่วยเหมือนกันไข้เหมือนกันและตายเหมือนกันถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นบาปโยมทํำยังไงมาที่โยมมาศึกษาข้อมูลในด้านของพุทธศาสนา เรามาภาวนาด้วยโยมโยมคิดว่าไม่มีบุญนะแตมาว่ามีนะบุญมีอยู่ที่การกระทำของเราเองไม่มีใครรู้มาก่อนในโลกนี้พุทธเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อไร่มาศึกษาแล้วก็มาหาความรู้ว่าชาติมันเป็นอย่างไรชรามันเป็นอย่างไรโมระมันเป็นอย่างไรการเกิดการแก่หรือการเก็บการตายมันเป็นอย่างไรก็มาศึกษาข้อมูลดูก็ปฏิบัติดู ถ้าเราไม่แก่ถ้าเราไม่เก็บถ้าเราไม่ปวดถ้าเราไม่คข้ถ้าเราไม่ตายมันจะเป็นยังไงโยมเทสเกตหรือนะจิตของคนเนี่ยจิตของคนรับรู้อารมณ์เฉยๆหน้าที่ตาหน้าที่หูหน้าที่ของจมูกอย่างที่ว่าหน้าที่มือหน้าที่เท้าหน้าที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันทําหน้าที่ของมันนะฮะอย่างที่ว่าถ้ามันทําหน้าที่แล้วก็รู้ตามความเป็นจริงของมันเค่ว่าอย่าเอาเลยโยมมีลูกอย่าเอาลูกมีหลานอย่าเอาหลานมีเงินมีทองมีข้าวมีของอย่าเอา เอาก็เอาไม่ได้อยู่แล้วแม้กระทั้งสังขารร่างกายก้อนนี้ที่เราทนุถนอมมั น, นแล้วก็พยายามดูแลบางคนโอ้โหอยู่อายุห้าสิบอายุหกสิบไปปรับปรุงให้มันไม่แก่มันไม่แก่ได้ยังไงอยู่เอไปตัดหน้าแต่งหน้าเสริมหน้าเสริมจมูกเสริมปากสุโอ้อะไรแต่ไรเยอะแยะมากมายให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่โยเวลาลุกเวลาเดินเวลาเหิน เนี่ยมันจะบอกเวลาเก็บแบบมันจะบอกว่าโอ้คนแก่จะมีการปวดเส้นปวดเอ็นปว ด, น, ปวดนื้ปวดนี่โดยเฉพาะหูตาอวัยวะส่วนต่างๆมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินั่นคือมันเป็นธรรมชาติอยู่เมื่อสังขรารร่างกายมันเสื่อมไปอย่างนี้เสื่อมไปอย่างนี้เราจะเรียกกลับมามันเรียกมาไม่ได้แล้ววันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปอย่างนั้นเราก็ต้องมารีบทําคุณงามกลมดีสินไม่มีเท่าไหรรักษาสินโยมเคยรักษาสินไหมล่ะกินห้าเคยรักษาไหมโยมหรือโบสดสินเคยรักษาไหม เดือนหนึ่งขอเวลาสี่วันจากการรักษาศีลไม่ได้บ้างเลยเราเกิดมากับโลกปีหนึ่งถึงสามร้อยกววันนี่เราไม่สามารถที่จะเอาศีลให้ทักนะสิบวันยี่ิบวันบ้างแหละเดี๋ยวเช่นเข้าวันษาเนี่ยอ่อนพระสามเดือนมีสิบสองวันโยมจะเอาสิบสองวันเนี่ยถวายพระเจ้าด้วยการปฏิบัติให้มีทำให้มีศีลเกิดขึ้นในตัวเองไม่ได้บ้างเลย ไม่ใช่ว่าเออเราสบายแล้วมันต้องทำไม่ไม่เกี่ยวกันเลยโยมทรัพย์สมบัติภายนอกมันเป็นของภายนอกไม่อยู่บ้านเราอยู่ดีเกิดมีอะไรขึ้นมาปุ๊บหายหมดทั้งหลังไปยังไงเห็นไหมชซรัมิมาหายทั้งหมดเลยมันไปไหนอยู่ไม่ใช่ของเราเึเมื่อไหร่แต่ทรัพย์สมบัติภายในคุณงามความดีของเราบุญกุศลของเราในต่างหากและเป็นของเราท่้นมามารักษาศีลอุเบกษกันมารักษาศีลภาวนาเรามาภาวนาดูว่าอะไรเป็นอะไรสังขารร่างกายก้อนนี้เป็นยังไงโยม สังเกตได้ไหมความวุ่นวายของโยมตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่ามีครอบครัวมีผัวมีเมียแล้วก็จะสบายก็ไม่ใช่เหมือนก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นเด็กก็ทุกข์แบบเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ทุกข์แบบผู้ใหญ่มีครอบครัวก็ทุกข์แบบครอบครัวเป็นคนในฐานะอะไรก็ทุกข์ในฐานะอันนั้นเป็นเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีเป็นราชาก็ทุกข์แบบราชาเป็นข้าราชการก็ทุกข์แบบข้าราชการทหารตำรวจก็เหมือนกันก็ทุกข์กันลักษณะอย่างนั้น เมืมันทุกข์กันทุกคนผู้เจ้าจอจึงว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้หาความสุขไม่ได้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และทุกข์ดับไปนอกจากทุกข์จะเอาอะไรในสังขารร่างกายก้อนนี้มันเอาไม่ได้เห็นไหมโยมนอนติดเสื้อติดหมอนบางทีจะจะกินก็กินไม่ได้พอนไปมาไม่ได้หิวก็หิวปวดก็ปวดเมื่อยก็เมื่อยแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นของมันเองเมื่อเราทำยังไงผลสุดท้ายเราก็ต้องตาย นี่แหละนักปราดบัณฑิตท่านบอกว่าให้ตายก่อนตายหมายถึงว่าจิตของเราจะมันจะแตกดาบเช่ามันให้จิตของเราเนี่ยอย่าไปทุกข์อย่าไปด้อนอย่าไปกระวนกระวายให้ออทธรรมะเป็นธรร ม, มชาติที่รู้เห็นมันเป็นอย่างงี้แหละนี่แหละคือสภาวะท่านบอกว่าให้มารู้มาตัดทรู้ความแก่เป็นอย่างงี้เนาะคนความเก็บเป็นอย่างงี้เนาะคนแล้วความตายไปอย่างงี้เนาะแล้วความพาัดภาคจากของแล้วของชอบใจไปอย่างงี้เนาะ แล้วจะเอาอะไรกับมันมันเอาไม่ได้จริงๆอยู่มารู้ตามความเป็นจริงให้เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับมันใช่ก็อย่าไปทุกข์กับมันถ้าเมื่อเราทําความเข้าใจกับมันเหมือนกับเออกูรู้แล้วว่ามันจะต้องตายอย่างนั้นแน่นอนแน่นอนแน่นอนตายแน่นอนเหาืก็เราดื่มน้ําจะหมดแก่หมดแน่นอนดื่มก็ไปดย่งก็ไปสองึกสองึกก็หมดแล้วทีนี้หมดไปเอาที่ไหนก็ต้องหาหํามาใหม่นี่แหละเกิดใหม่อีกเลยโยมแล้วก็ดื่มใหม่อีก ก็เกิดมาอีกก็ดื่มมาอีกแต่มแล้วจะทิ้นสุดกันตรงไหนโ ย, ยมตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายการหัวเราะของโยมมีกี่ครั้งตั้งแต่เกิดมาการร้องไห้ก็เหมือนกันตั้งแต่เกิดมามีกี่ครั้งรู้ไหม <c oughs> ไม่มีใครรู้หรอกโยมแต่ถ้าทิงเหล่านี้มันเป็นแล้วตั้งแต่เมื่ อ, อไรโยมคิดได้ไหม อาตมาว่าสภาวะอันนี้แหละที่เรามองข้ามมันเป็นสภาวะที่เราต้องมาศึกษาการทําอยู่ซ้ําๆำซากซากเราก็เลยเพลิดเพลินอยู่ในการกระทําว่ากินทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเป็นความสุขถ้ามองเพลินเพนก็ถูกต้องถ้ามองกันนึกๆกลัวโอ้ไม่หาความสุขไม่ได้เลยโยมเ อ, อ้ยวันวันวันวั น, ว, นวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งกแก่เท่าไปแล้วทํากระทำซ้ำซาก เห็นไหมโยมยมพูดตื่นเช้ามาโยมก็พูดคําเดียวนั่นแหละปีแล้วปีเล่าปลูกให้ลุกมันก็ไม่ลุกปลูกให้ทํามันก็ไม่ทําทําำมันก็ไม่ทำไม่ทําไอสิ่งที่ไม่ให้ทำมันก็ทําสิ่งที่ไม่ทําหรือให้ทํามันไม่ทํามันก็เลยสับสนไปหมดบางทีไม่ควรจะทํามันก็ทำบางทีควรทามันไม่ทําอันที่กว่านี้ควรทาก่อนกับทําที่หลังคนทําที่หลังกับทํำก่อนโอ้ยวุ่นวายกันไปหมดวุ่นวายกันจริงๆนะโยมนะดังนั้น สภาวะสังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นสภาวธรรมเราต้องมาทำความเข้าใจกับมันให้ได้จนมาถึงษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดให้ได้ถ้าคนใดศึกษาธรรมะที่พุทธเจ้าตัดจรู้ไว้เนี่ยอัตมาว่าสบายอัตมามานั่งดูนั่งดูน้ํามันไหลโอนี่คือสภาวะเราเห็นแม่น้ําที่ต่ําสูงอะ่ะเท่ต่ํากับ ที่สูงเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำและมันจะไปอยู่ในที่เสมอกันลำดับน้ำนะลำดับน้ำมันจะไม่สูงไม่ต่ำมันเสมอกันถ้ามันเสมเอกันแล้วมันจะอยู่มันจะไปไหนไม่ได้นะฮะอันนี้คนเราทุกคนนี่นะท่านั้นเราเกิดมาเกิดม า, กมาแก่แก่เก็บแล้วตายแก่เก็บแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไหลไปอย่างงี้ม ไ, i, ไ, งงไม่มีคอว่าสิ้นสุดเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บแล้วก็ต้องตาย นู่นเอยเยมันจะเป็นไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ไหลกับตัวเมื่อที่มันไปถึงจุดนั่นแหละทะเลนี่มันเป็นสิ่งที่รับดมรับน้ำที่ตกมาจากท้องฟ้าตั้งแต่เราเกิดมาในฝนตกมาเท่าไหร่เคยเต็มทะเลไหมอืมฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาเท่าไหร่ก็คือไม่เคยเต็มโลกอยู่มีแต่ขยายโลกให้กว้างขึ้นขยายโลกให้กว้างขึ้นอืม ดันั้นสังขารร่างกายก้อนนี้ท่านทั้งหลายปราดบัณฑิตว่าควรเจ็บสิ่งที่มันมีประโยชน์ใส่บ้างก่อนที่มันจะตายสั่งสมข้อมูลดีๆเอาไว้ในดวงจิตส่วนสังขารร่างกายเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ก็ไปแล้วเยอะดันั้นพยายามว่าอย่าให้มันประโยชน์ที่ปล่าประโยชน์คนจะได้สักอย่างนึ่งตะ ว, วันอย่างน้อยได้อะไรสักอย่างหนึ่งในการทําอย่างน้อยได้สักอย่างหนึ่งในการพูดหรือการคิดนึกของตัวเองก็ทําไปวันนี้คนทําอะไรนาะเรา วันนี้ก็ทําวันนี้เอาทําไปเลยวันนี้ทําวันนี้ก็ทําไปเลยอย่าให้มันว่างเปล่าอย่าให้มันปัดสะจากให้มันได้ประโยชน์จริงๆต่อวันอาตมาเห็นอพระก็ดีเห็นญาติโยมก็ดีบางนคนโอ้ยินกินแล้วก็นอนยินแล้วก็นอ น, น, ะะ น, อนโอ้ยโยมนึกถึงที่เขาเขาเลี้ยงหมูไว้เลี้ยงไก่ไว้ให้กินน้อนให้กินนอนให้กินนอนกินนอนผลสุดท้ายเขาก็จับมาเชืออ้อดยกอ่าแต่มาไปอยู่ประเทศลาวอยู่หลายเดือน ก็เหลือหมูไว้เป็นข้อๆนนะนี่เหลือหมูไว้ตามธรรมชาติแต่เวลาเขาก็เอามาเชื่อจมมาเทีเท่ยเชื่อตีหัวสามโปก๊ป ก, ปกสามทีร้องสามทสีสี่ทีก็เงียบเอาเฉือนหนังออกแแหล่หนังออกเอาเนื้อมาบริโภคกัน <c ười> คนนี้คงจะเหมือนกันนะมักินแล้วกินนอนกินนอนเฉ๋ยเตือน ข, ขึ้นมาก็โอ้ย แล้วผลสุดท้ายก็ตายอยู่โอ้น้าเท็ดาดจริงๆอาจจะมาว่าเท็ดาดชีวิตที่นั่นเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ทําประโยชน์มากกว่านั้นอืมทํายังไงเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นเอะอย่างน้อยก็ให้มีประโยชน์ตัวเองตัวเองและคนอื่นประโยชน์ยังไงประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นเห็นไหมโยมเวลานี้เราเราทําประโยชน์เช่นในผู้ที่รู้เรื่องยาอืผู้ที่รู้เรื่องของต้นไม้อืเขาเอาต้นไม้มาทํายา ผู้ที่มีความฉลาดเขาเอาต้นไม้มาทําบ้านนะผู้ที่เขามีความฉลาดเอาวัตถุธาตุต่างๆมาเป็นเครื่องใช้ไหมสวยในที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยเช่นเหล็กก็ดีต้นไม้ก็ดีอะไรก็เลยจะหลายอย่างอยมูมมันทําได้หมดโยมถ้าคนที่มีความฉลาดนะฮะแม้กระทั่งพื้นดินที่เรามาทำเป็นบ้านเนี่ยเช่นเอาไปเผาไฟเป็นอิฐเข้ามามันก็เป็นดินนั่นแหละโยมแต่มันเป็นอิฐ เอาต้นดินเนี่เอาดินเนี่ยเป็นเผาพเป็นตุ๊กตาบ้างเป็นการตูเนเป็นน้นเป็นนี้ขึ้นมามันก็เป็นดินนี้แหละโยมเป็นไหเป็นอะไรขึ้นมาเป็นก็ก็เป็นดินที่คือคนที่มีความคิดมีสติมีปัญญาและมันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อสังคมคือพูดง่ายๆว่าครอบครัวเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนหามามันประโยชน์บนทุกคนในครอบครัวนี่ลูกกี่คนกี่คนมาทานมาดื่มมาพักมาผ่อนมาไปมาอยู่สะดวกกันทบายกับเพราคุณพ่อคุณแม่เป็นคนหาใช่ไหม สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วเราหาความดีไม่ได้ศีลเราไม่มีทำราไม่มีไม่เคยทําบุญทําทานเลยโยมเกิดมามีแต่ความมัวมอมีแต่ความรุ่มหลงมีแต่ความเพลิดเพลินในกรมคุณนทะเลาะกันด้วยกันด่าด้วยด้วยกันว่าด้วยกันทะเลาะวิวาต่างๆแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยโยมเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆดังนั้นวันคืนล่วงไปควรทาประโยชน์ให้มันได้โยมอย่างน้อยมารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทํากิจกรรม อย่างน้อยเก็บดอกไม้บูชาพระกากาไหว้บูช า, า, า, า, า, ชาคุณนึกถึงคุณพุทธเจ้าธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าหรือคุณมีดามันดาปฏิบัติตัวเองให้มันดีอยู่ในขอบของศีลธรรมเมื่อเรามีศีลธรรมดีโยมโอ้จิตใจของเราก็จะดีเบิกบานทุกวันวันไหนจะให้จิตใจมันเศร้าหมองนะโยมนะให้จิตใจเบิกบานร่าเริงให้มันอยู่กับธรรมะอย่าไปอยู่กับอย่างอื่นนะโยมเอาใจไปฝากไว้ตรงไหนทุกตัวนั้นนะโยม อย่าเอาใจตัวเองฝากเอาคนอื่นนะไปฝากไว้กับพ่อกับแม่หิฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งไม่ได้เยี๋ฝากกับตัวเองนั่นแหละตัวของเราเป็นตัวของเราเนี่ยอาไปฝากไว้เดี๋ยวหายนะโยมคนนี้เราไว้ใจที่สุดแล้วก็ฝากเงินไว้ฝากทองไว้เนี่ยคนนี้เราไว้ใจที่สุดก็ฝากผัวไว้ฝากลูกสาวไว้ฝากเมียไว้หมดนะโยมไม่มีเหลือเลยนะจะบอกให้ อย่าไปฝากใครไว้เป็นเด็กขาดใจของตัวเองเป็นตัวของตัวเงินทองก็เหมือนกันฝากไว้ในครั้งพตูต ก, การก็มีนะมีเรื่องไหนเรียกว่าได้ยินไหมที่เัาเรียกว่ า, าชูชก ก็พราะเพื่อนไปฝากเงินไว้ฝากไว้ฝากไว้ฝากไ ว, กไว้หรือฝากเพื่อนไว้ผลสุดท้ายเพื่อนโกงเงินไปหมดเอาไปเล่นเอาไปกินหมดเอาไงก็เดือดรอตามมา <c oughs> นั่นแหละคือไม่มีใครที่จะไว้ใจได้เท่ากับตัวเองเลยยู่ดังนั้นเราจะพยายามไว้ใจตัวเองถ้าเราไว้ใจตัวเองพึ่งตัวเองนั่นแหละคือการเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราพยายามหาหาอะไรหาคุณสมบัติหาคุณงามความดีเข้าตัวเองก็ได้ ถ้าเราถ้าพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์ถ้าเรียกว่าเจริญเมตตาภาวนาวันน like ี้จิตที่เราโหดเหี้ยมที่สุดยาวคายที่สุดเราจะทําให้จิตมันนิ่มนวลที่สุดจิตมันอ่อนโยนที่สุดนะวันนี้จิตที่มันแข็งกระด้างจิตที่ไม่มีคุณสมบัติจิตเราพยายามชำระจิตตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันอย่างทําละทุกวันเมื่อเราชาระทุกวันเนี่ยอัตมาเชื่อมันว่าความสะอาดความหมดจดทั้งจิตใจจะมีบุญกุศลเหมือนกันเราทําทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ กานะยกรรมวิจีกรรมมโนกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วมันเป็นบอ่อเป็นบ่อกเกิดของบุญโยมมีมือสองมือนี่เยอะมือเท้าสองเท้านี่กราบด้วยโยมไหว้ด้วยโยมเคารพนบน้อมกิริยามา ร, รยาการพูดกันจามันเกิดมาจากตรงนี้เลยโยมไม่ได้เกิดมาจากที่ไหนเกิดมาจากการกระทำของเราเองแต่ถ้าเราทําของเราและอาตมาเชื่อมั่นว่าบุญกุศลจะเกิดมาแน่นอนเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะแน่นอนโยม มีความสุขทั้งปัจจุบันถึงจะไม่มีทรัพย์มากมายไม่มีเงินทองมากมายไม่มีตําแหน่งสูงส่งในสังคมมากมายเท่าไหร่แต่เราก็มีความสุขเพราะว่าเรามีคุณสมบัติทางด้านจิตใจบางคนบางท่านมีคุณสมบัติทางด้านจิตใจนะเงินทองเข้าของก็มากมายอีกต่างหากเรียกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีกับมีคุณสมบัติทางด้านจิตใจมีความเมตตามีความเอื้ออารีต่อมนุษย์ทั้งหลาย ในเมื่อมีความอบอ้อมอรีระหว่างกันอะไรกันอยู่ด้วยกันมีความสุขตัวเองมีสุขก็จะให้คนอื่นมีสุขด้วยนี่ไหมโยบดังนะั้นสิ่งที่เราให้คนอื่นมีสุขก็เพราะเรามีสุขแล้วจึงให้คนอื่นได้ถ้าเรามีความรู้ความสลาดถึงจะสามารถแนะนําคนอื่นได้ถ้าเราเป็นช่างยังจะแนะนําคนอื่นให้เป็นช่างตามดังนั้นเะมื่อเราทําแล้วสิ่งที่เราได้คือนั่นแหละคือวันคืนล่วงไปล่วงไปเราไม่ขาดอยู่ศีลธรรมเราก็มี เงินทองเข้าของเราก็ได้อาตมาว่าเดือนหนึ่งมีวันพระอยู่สี่วันนะสี่วันนี่ขอให้พระใช่ออยมปีหนึ่งจะมีกี่วันก็แล้วแต่นะแต่ว่าเดือนหนึ่งมีสี่วันนะเอาเอาสี่วันไปคูณกับสิบสองนี่มันจะได้กี่วันไปบวกอะไรกันแต่ว่ากันไปอืดังนั้นเมื่อเรามาคิดว่าเออเดือนมันก็เดือนกว่ากว่ามันก็โอ้ไม่าจจะให้ได้นะโยมอาตมาว่า เอเอเอาอวันพระเนี่ยมาทําคุณงามความดีคืออย่าให้วันพื้นล่วงไปล่วงไปเออวันนี้วันพระแล้วเวลาก็ว่าวันโกนให้ละวันพระให้เว้นหมายว่าให้ละจากการทํามาหายจินทบ้างสักหนึ่งวันให้เว้นจากการทําบาปซะบ้างสักหนึ่งวันแล้วก็มาทําบุญทําทานซะบ้างมาสําระกายชำระจิตให้หมดจดวันนี้ปัสสกจากในการทําบาปทั้งปวงนะ ปัสจากในการทําชั่วหรือคิดชั่วและหลายอย่างมาคิดที่ดีทําที่ดีต่อพุทธศาสนาต่อตัวเองนั่นแหละก็เรียกว่ามาปรปับปรุงตัวเองบ้างการเวลาผ่านไปผ่านไปมันเรียกกลับไม่ได้จะมาเพื่อเพลินเล่าเลิงอยู่โยมเคยเห็นไหมเวลานี้หน้านี้เป็นหน้าน้ําเดี๋ยวก็น้ํามาฝนตกมาน้านําท่วมปลาไปหะายอย่างโดยทั่วปไปลวปลาที่มันไปกับปลาตัวนี้น้อยปลาไม่มีเหตุมีผล เช็นปลาตะเพียนปลาส้อยปลาซสีวอะไรพวกนี้ปลาไอตามน้ําน้ำเนี่ยก็ปลาอยู่มันขึ้นบกขึ้นโนขึนข้ น, น, นพอน้ําลดไปเคยตื้นอยู่ที่สถานที่ต่างๆ่างโอ้ตายกันเกินกาดหมดส่วนปลาใหญ่ฮะเนื้ปลาที่มีอายุยืนีปลาใหญ่ๆเช่นปลาบึกปลาตวายปลาอะไรเนี่ยเช่นเจกเนี่ยพวกนี้มันจะไม่หนีอยู่มันจะอยู่น้ําที่เดือบมันน้ำหนีกับน้ำลึกขนาดไหนมากมายเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนะ มันจะอยู่ตรงนี้คือมันรู้มันรู้ว่าการเวลาเขามันอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องตายแน่นอนไปต้องตายแน่นอนน่ะเหล่านี้เป็นต้นผลสุดท้ายก็อย่างนั้นจริงๆอยู่เราจะมายึดในหลักคําสอนของพระธเจ้าว่ามันต้องแน่นอนคนละมันต้องตายนอนพยายามยึดเอาคุณงามความดีให้ให้ให้พระบ้างอืมเอวันสี่เดือนหนึ่งให้พระสี่วันเรียกว่าวันพระ มาปฏิบัติถึงเราจะไม่มีโอกาสเวลามันไม่ค่อยจะมีแม่อำนวยก็อยู่บ้านก็ได้โยมตั้งสัตว์เอาไว้ปฏิบัติวันนี้งดเว้นจากการทำบาต ท, ทั้งปวงรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดอ่ารักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถ <c oughs> ทุกวันโยมอันนี้อาตมาไม่ได้ไปยัดเยียดให้โยมนะอาตมาพูดให้ฟังโยมอทําทำไม่ทำก็เรื่องของโยมแต่อาตมาว่าตรงนี้คือเป็นบ่อเกิด เป็นบอกเกิดศีลเป็นบอกเกิดธรรมเป็นบอกเกิดบุญเป็นบอกเกิดความสุขนะคนจะมีความสุขได้เพราะการประกอบแต่นั้นศีลและธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการกระทำแ ม, ม้ใช่มาว่าการที่ว่าตามพระได้เนี่ยไม่ใช่คนได้ศีลไม่ใช่คนมีศีลหืมใครว่าตามพระได้หรือว่าปานาธินาเนีไม่ใช่คนมีศีล응 ไ, ไม่ใช่คนมีธรรมคนมีธรมมรมคือคนที่งดเว้นจากการทําชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นกฎแล้วเบียบเป็นข้อห้าม มัอนกับคนเขียนขึ้นมาเขียนด่าใครเขียนว่าใครเขียนให้หลาไปสีใครเขียนยังไงก็ได้มันไม่ไม่มีอะไรเพราะวันนี้ก็เขียนขึ้นพรุ่งนี้กูลบทิ้งกูเขียนใหม่มันก็ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนั้นเรื่องของอ่าชั้นชั้นาคือมาพูดกันจำกันแล้วก็ลบทิ้งไปมันอย่างนี้มันเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีศิลและก็ไม่มีธรรมแต่ถ้ามีสีนไม่ธรรมต้องปฏิบัติอยู่สัจจะในการกระทําวันนี้จะให้ร่วงเปล่าหาไม่ได้ ต้องทำประโยชน์ให้ได้สํานั ก, กจิตให้ได้พองใสให้ได้วันนี้ทั้งวันจะไม่โกรธให้ใครวันนี้ทั้งวันจะไม่เกลียดให้ใครหรือจะไม่แสดงอาการในใดก็จะพยายามดูตัวเองด้วยด้วยสติของตัวเองด้วยปัญญาของตัวเองด้วยบารมีของตัวเองนะดันั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปอย่าให้วันคืนล่วงไปปล่าประโยชน์ควรจะทําประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ อย่างน้อยก็มีทานน้ำใหมคือให้ทานทานแบบนายยมอย่างน้อยคือให้ให้อภัยทานทางคือคงโกรธเราไม่โกรธคงไม่เกลียดเราไม่ดา่าไม่ว่าไม่โต้ไม่ตอบหรือจะให้วัตถุเป็นทานอะไรก็ได้เล็กน้อยนิดหน่อยย่่าเนี้ยเราก็เอาสังขารร่างกายเนี่ยเป็นทานทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมต่อส่วนรวมเราจะเอาสังขารร่างกายก้อนนี้เพื่อบูชาพุทธเจ้าด้วยการพึ่งในการปฏิบัติ <c oughs> เราจะเอาสังขารร่างกายก้อนนี้ทําประโยชน์บต่อพุทธศาสนา เราอาสังขารร่างกายก้อนี้ทํานะปฏิบัติให้มีความเป็นธรรมขึ้นมารักษาศีลรักษาเจริญเมตตาภาวนาทําจิตให้เสงอบปสัสจาโทษทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราทําได้ทุกวันทุกวันเดีย ว, ว, ว, วถือยังไงก็ <c oughs> ตั้งจิตวันพัทนี้จะรักษาอวบสถศีลคือวันพระรนี้เราจะปฏิบัติตามพระเจ้าสั่งไว้แะ่นั้นแหะพอนะแต่ ว, ว่าศีลธรรมที่พระเจ้ามอบให้สาวกทั้งหลายนะถ้าไม่มีศีลธรรม พัฒนาพุทธิอยู่กับใครละ่ยมจะฝากไว้กับต้นไม้ฝากไว้กับผู้เขาหรือฝากไว้กับโบสถ์สลาวิหารหรือพุทธรูปไม่ใช่เยอะศิลธรรมจะอยู่กับพวกเราแต่พวกเรามีศิลมีธรรมเราอยู่กันอย่างมีความสงบสุขบ้านเราครอบครัวเราตัวเราด้วยแต่ถ้าเราไม่มีศิลนีม่มีธรรมคบใครก็ครบไปเทอาไยมรับรองหาความสุขไม่ได้รับรองว่าไม่มีใครครบด้วย แต่ถ้าเรามีสิทธิ์มีธรรมและซื่อสัตย์ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีระหว่างความเป็นมนุษย์ระหว่างกันอะกันซื่อสัตย์ปฏิบัติอย่างไหนก็จะควรอยู่ด้วยกันได้ก็คือปฏิบัติให้มีศีลธรรมเมื่อคนเรามีศิทธิ์มีธรร ม, มแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปไหนมาไหนก็อยู่ด้วยกันจะมีความสุขรักษาน้ําจิตน้ําใจการกระทาคําพูดระหว่างกันอะกันซื่อสัตย์ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีระห than, ว่างกันอะไรกันก็มีความสุขและโยคจะไปหาความสุขที่ไหนจะหาความสุขจากที่ไหนมีกีในโลกนี้ไม่มีความสุขยโม ลองวิ่งยมวิ่งดูก็ได้ไม่ใช่ว่าวิ่งไปรอบโลกก็หาความสุขไม่มีพุทธเจ้าไม่นเนี่วิ่งหาความสุขในโลกนั้นโลกนี้ไม่มีคนก็คือคนคนเกิดมา ก, ก็เหมือนเรานี่แหละมีหูมีตามีอวัยวะส่วนในส่วนหนึ่งก็เหมือนกันเหมวก็มีแก่มีเก็บมีตายมีการล้มหายตายจากสิ่งที่เราอาศัยอยู่ไม่นเนี่มากมายเห็นมโยมพุทธเจ้านี้จากภาษาราศวร ถ้ไม่ประสาทที่เราเป็วัตสมบัติเป็นประสาทราชวังก็แค่แค่ที่อยู่ที่อาศัยนี่เองแต่ที่จะมีที่อยู่ที่อาศัยมากมายไก่กลองแล้วจะมีความสุขโอ้ยไปหามีไหนเมีมองลุนดูที่อยู่ถ้ามองด้วยสายตาใช่คนผ่านไปผ่านมาอู้บ้านเขาหลังใหญ่มีเงินคงจะมีเงินมีทองเยอะคงจะมีความสุขแต่คนที่อยู่บ้านน่ยโอ้โหโโตเต็มทนแล้วอยู่เต็มทนแล้วอยากจะหนีเต็มทนเบือ่อเต็มทนแล้วทุกเต็มทนแล้วอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะที่เคยเห็นมาอืม อาตมาก็มีบ้านที่เมื่อก่อนอยู่บ้านแม่ก็บ้านพ่อเขาฝึกไว้ให้วู้ดิเดาทําอะไรขี้เกียจเบื่อเห็นแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วก็อยู่กระต๊อบน้อยเด่นเล้ย น, น้อยหล่างห ล, งลังเดียวเกษต่ว่าที่มีกรดอันหนึ่งโยมมีบาทใบหนึ่งมีโกรดใบหนึ่งโอ้สบายไปไหนก็สบายเห็นแก่ตัวไม่ใช่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยเพราะไม่ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อนกับตัวเองตื่นเช้ามาก็ออกมินทบาทให้ก็บแม่ดิว่าไม่ให้ก็บแม่ดิว่า ให้ก็อนุโมทนาสาธุขอบพระคุณนะฮะหรือบูชาคุณกับคนที่ให้แต่ก็ไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือชีวิตที่เป็นนักบวชเป็นชีวิตที่สบายเยมิมเรียบง่ายไม่ต้องทุกข์ทรมานตราบใดที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่อาตมาก็อยู่ตรงนี้แหละจนกว่าอาตมาจะตายจากโลกไปแต่เชื่อมั่นในคําสอนของพระ อ, องค์ท่านว่าการทําบุญไ ด, บญได้บุญการทําบาปได้บาปการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วหรือการทําผิดการทําถูกโยมได้หมด ก็เราเชื่อว่าบุญกุศลบาบุญคุณโทษมีแล้วก็ทําถะโยมไม่เชื่อผู้รู้แล้วจะไปเชื่อใครเนาะอะจะเชื่อตัวเองมก็ได้อย่างที่เราทํามานั่นแหละตือนใช่ไมากัหายินแล้ากินยาเที่ยวเตยให้ห้าด่ากันทุกวันว่ากันทุกวันมองหน้ากันไม่ติดเห็นไหมอยู่บ้านใกล้ใกล้กันมองหน้ากันไม่ติดเลยพราะอะไรไม่รู้อะไรเนีความดีก็มีกันนะไม่ใช่ไม่มีมีกันทุกคนแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้ทำไมเคยพูดอยู่เสมือทาไมคนดีกับคนดีทํางานร่วมกันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไร บอกยอมรู้ไมหละไรพ่ออะไรไม่รู้อีกนั่นแหละโย่คือดีไม่จริงถ้าดีจริงมันต้องทํางานร่วมกันได้นะแต่เป็นน้ํากับตะน้ําแต่น้ํามันไม่เข้ากันได้เพราะอะไรใช่ไหมน้ามันกับน้ําท่านี่แต่ขวดเดียวกันก็เป็นน้ําเหมือนกันแต่มันเข้ากันไม่ได้เพราะมันอะไรโยมมันคงเป็นด้วยระบบอ่ะเนาะมันคงเป็นระคืนน่ะมันคนระคืนมันเข้ากันไม่ได้จูนเข้ากันกับจูนเข้ากันไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องอย่างยโยมเป็นทุกข์จนตาย นอนเสื้อพื้นเดียวกันนอนบ้านหลังเดียวกันโอ้ยโยมมันทุกข์จริงๆถ้าสามีกูตายเมื่อไหร่กูจะมีความสุขถ้าพัญญา ก, ก, กูตายเมื่อไหร่กูจะมีความสุขหรือลูกลูกูตายเมื่อไหร่กูจะมีความสุขไม่ใช่เลยโยมไม่ใช่เลยคิดผิดคิดใหม่เลยโยมสามีเราพัญญาเรามันจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับโยมไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์กับสามีกับโยมเป็นเรืคมคิดของเราในเองนั่นแหละ แต่ถ้าเรากรมคิดให้มันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์จริงๆโยมกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดไม่เป็นถ้าเราทําให้เป็นวันเวลาผ่านไปก็เปล่าประโยชน์จริงๆโยมแต่ถ้าคนมีปัญญาคนมีสติมีปัญญามีครู้คมฉลาดวันคืนผ่านไปแล้วก็ทําประโยชน์ให้มันได้ทุกวนันทุกวนันเนี่ยอาจจะมาว่าในเดือนหนึ่งมีสี่วันพระนี่นะให้พระทั้งสีว่วันวันโยมนี่เท่าไหร่สามสิบวันนี่นะก็เอาไปที่กี่วันนะ่ะยี่สิบกว่าวันนะ่ะ เหลืออยูแค่สี่วันให้พระบ้างะนะก็ไม่ได้โอ้เอาหมดเลยเดือนนี้มันยังไม่เป็นพระเลยเป็นวันโยมหมดเลยโ <c oughs> ยมขนไปหมดเลยสามสิบวันนี่ให้พระสี่วันก็ไม่ได้เรื่องสากี่แต่ล้แต่คือเอาหมดเลยก็ให้พระบ้างโยมโยมก็ถวายพระบ้างก็ได้สี่วันเออวันนี้คุจะเป็นพระเวยอย่ามายุ่งกูนะลูกอบอกลูกบอกหลาน แม่จะถือศีลภาวนาพ่อจะถือศีลภาวนาเอาภาเข้ามาในใจสักวันเถอะชำระเดือนหนึ่งอ่ะชำระสี่วันเจ็ดวันอ่ะชำระครั้งหนึ่งนะชำระให้มันสะอาดใจส่วนสะอาดกายเราฆ่าสัต์ตัดชีวิตทำโน้ทนทำนี้กิจกรรมต่างๆมากมายไก่ปองวันนี้หยุดชำระในเรามันมืดทำไมเรานอนได้ไอ้โยมเวลามีแสงนอนไม่ได้เวลามืดมาเร า, าไปไม่ได้ก็นอนได้ใช่ไหม มันน่าจะทําได้แต่ไม่ทำเพออราะลายมันมืดแต่พอเรามีไม่มีแสงกันทำไมอยู่เห็นไหมพ ม, มีแสงก็หยุดแต่ที่นอนไปไหนทําอะไรกันไม่ได้ดังนั้น แ, แสงนี้มันเป็นสิ่งที่เราทําประโยชน์นะเรียกว่าแสงสว่างจากพระอาทิตย์แสงสว่างจากพระจันทร์ดังนั้นแสงสว่างทางด้านภายนอกเราทํามาหายจินเราทําที่อยู่ที่ใส ท, ที่ไปที่มาได้แต่แสงสว่างทางภายในจะทำยังไงอยู่ยมมืดมาแล้วจะมืดไปอย่างนั้นเด้อนอะ ยังไงยังไงเรามืดมาไม่รู้มาจากไหนไปก็ให้มันสว่างไปบ้างให้รู้จากทางไปบ้างให้รู้จากบุญให้รู้จากคุณให้รู้จากโทษให้รู้จากประโยชน์มีคนประโยชน์เพราะวันเวลาผ่านไปก็ผ่านไปไร้ประโยชน์จริงๆริเลยอยู่บางคนไร้ประโยชน์จริงๆมนุษย์ก็แล้วโมฆะบุรุษเป็นมรุษเปล่าๆเป็นโมคะสตรีก็เป็นสตรีเปล่าๆไม่มีอะไรจริงๆอยู่นะเคยเห็นคนเป็นบ้าไหมมันเป็นโมคฆะจริงๆริงอยู่ ทำอะไรก็ไม่ได้นี่คือเป็นสิ่งที่บอกว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก่อนที่เราจะตายพุทธเจ้าจึงว่าอย่าประมาทนะเรียดทำสยมรู้วันนี้ก็ทําวันนี้รู้ว่าไม่ดีก็จะไปคิดจะไปทํามันเลยหยุดคิดหยุดทำเสียมันก็อาจจะมีการปฏิบัติ ถ้ามีโอกาสที่จะมาวัดมาวา่ามาฟังเทศพระธรรมมาฟังเทศพระท่านบางก็ได้พระอาจจะบอกอาจจะกล่าวอาจจะสอนอาจจะแนะนําภาคธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็อาจจะได้เมื่อเรามาทําแล้วก็อาจจะปเกิดประโยชน์กับตัวเองในปัจจุบันนี้เลยมันจะเกิดประโยชน์ในอนาคตอยู่ปัจจุบันนี้จะเห็นทันทีอาจจะมาเชื่อมั่นในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงอนาคตปัจจุบันดีอนาคตก็ดี ดันั้นวันเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเท่าวันเวลาอยู่ถ้าเราไม่ทําให้มันผ่านไปเปล่าๆก็เปล่าถ้ามันเราให้มันได้มันก็ได้มาเก็บมาเก็บมาทำให้เกิดประโยชน์ให้ได้ก่อนที่มันจะเสียประโยชน์เปล่าดังนั้นการเวลาผ่านไปวันคืนล่วงไปล่วงไปท่านทําอะไรอยู่เห็นไหมโยมเพื่อเพลินทางหูเพื่อเพลินทางตาเพื่อเพลินทางจมูกเพื่อเพลินทางเนื้อทางหนังหรือเพื่อเพลินทางอะไรก็แล้วแต่เราพิจารณาดูเสีย แล้วก็บอนเทาลงบ้างหยุดการเพื่อเพลินเบ้างหยุดการล่าเลงหยุดการรุ่มหลงเบ้างมาทําความรู้ให้มันสว่างสวยเบ้างโยมเรียกว่ามืดมาสว่างไปก็ยังดีหรือสว่างมาด้วยอํนานาจของความเป็นมนุษย์ก็สว่างไปก็ยังดีนะท่ะนให้พยายามตั้งใจกันว่ามาปฏิบัติตามกระแสธรรมที่ผู้เจ้าตรัสไว้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งตัวเองแล้วคนอื่น ดตงนั้นวันเวลาผ่านไปจะให้ผ่านไปเฉพาะวันเวลาเราต้องเข้าใจในธรรมะต้องศึกษาถวายพระนยมนะต่อไปนี้สี่วันหนึ่งเดือนรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีล8ดถ้าไม่ได้ศีล5้าก็เอาศีล8ดเดียวถ้าไม่ได้ศีล8ก็เอาศีลห้าหรือจะศีลไหนที่มันจะได้ก็เอาศีลเหืเป็นประโยชน์ ต, ตัวเองอะไรเกิดมาจึงไม่เสียชาติเกิด อย่างน้อยก็มีมเรียกว่ามนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติว่างมีสมบัติทางด้านจิตใจในายยมนะเอาวันนี้พูดมาก็คงจะสมควรเกี่ยเวลาต่อไปก็คอข อ, อยุติตอนนี้ในการบรรยายธรรมะทั้งนั้นท่านทั้งหลายจงพยายามตั้งอก ต, ตั้งใจเป็นเพ็นคุณงามความดีต่อไปการเวลาผ่านมาผ่านไปก็เท่านี้นายยมถ้าเราไม่ทําก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ขอข อ, อยุติในการบรรยายทำเท่านี้เอง